มีคมสองคำที่เราได้ยินบ่อยๆความเห็นกับความจริงความเห็นกับความจริงนี่ไม่เหมือนกันนะความเห็นนี่ต้องอาศัยการคิดเอาส่วนความจริงนี่ต้องอาศัยการเห็น นะความเห็ น, นี่ต้องใส่การคิดนึกบางทีก็เรียกว่าความคิดความเห็นส่วนความจริงนี่ต้องอาศัยการเห็นคิดเอาไม่ได้เขาบอกความเห็นกับการเห็นก็ไม่เหมือนกันนะความเห็ น, นี่ต้องอาศัยการคิดเอานะส่วนการเห็นนี่ ถ้าเป็นการเห็นแบบทั่วไปก็อาศัยตาอาศัยตาในการเห็นแต่ถ้าเห็นในเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทางธรรมนี่มัน้อาศัยอาศัยความจริงอาศัยสตนะิสตินี่เป็นเรียกว่าตาในนะ ที่ทำให้เห็นความจริงเห็นความจริงของกายและใจจะไปเห็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่งานของสติถ้าเป็นเห็นวัตถุรูปธรรมก็เป็นเรื่องของตาตาเนื้อ มันยังมีคำนะั่คือความรู้นะความรู้ไอความรู้นี่ก็บางครั้งก็เป็นความเห็นเหมือนกันมันไม่ใช่ความจริงล้วนๆอย่างเช่นสมัยก่อนก็มีก็เคยคิดว่า เคยคิดว่าโลกนี้มันแบนเนยก็เคยเป็นความรู้หรือเคยเข้าใจว่าของที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันก็จะตกถึงพื้นไม่เท่ากันไม่ไม่พร้อมกันก็เคยเค่อเป็นความรู้แต่ตอนหลังลก็พบว่ามันไม่ใช่โลกมันไม่ได้แบนมันกลม ไอของที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันก็ตกถึงพื้นพร้อมกันอันนี้พูดโดยสัมผัสเนี่ยความรู้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความรู้อาจจะเป็นความคิดหรือว่าการสำคัญผิดก็ได้ ส่วนการรู้นี่มันเป็นอีกอันหนึ่งแต่เรากลับมาที่เรื่องของความเห็นกับความจริงก่อนนะคนเดี๋ยวนี้ยังไม่ออกนะระหว่างความนี้กับความจริงคิดอะไรได้ก็คิดว่านั่นคือความจริง พอคิดว่านั่นคือความจริงก็จะก็จะยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งที่เป็นความจริงมากในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นความจริงแล้วพอใครคิดไม่เหมือนตัวก็จะมองว่าเขาผิดนะก็จะเกิดการทะเลาะเบาแวงโตเถียงกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปทั้งในบ้านในที่ทำงานในวัดหรือในประเทศแต่ถ้าเรารู้ว่าความเห็นก็อันหนึ่งนะความจริงก็อันหนึ่งความเห็นที่ทางพุทธศาสนานี่เราเรียกว่าทิฏฐิน คิ่ความคิดความเห็นความเชื่อรวมไปในคำว่าทิฏฐิสมารทิฏฐิคือความเห็นความเชื่อที่ถูกมันสิ่งที่เห็นนั้นอาจจะสอดคล้อความจริงก็ได้ แต่ว่าส่วนใหญ่สมาธิที่ที่มีอยู่ในความพิ่ของผู้คนเราทั้งในบูชาพุทธเนี่ยม่ยังเป็นเรื่องของความเชื่อหรือเรือ่องสศรัทธาอยู่สมาธิที่ฉันว่ากรทำดีได้ดีทำชั่วไ ด, ด้ชั่วหรือเชื่อว่ามีบุญมีบาเชื่อว่ามีนรกสวรรค์ อันนี้ก็ยังเป็นนะมันเป็นความเห็นที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมากกว่าคือครูบาอาจารย์สอนมาหรือว่าได้อ่านจากพระไตรปิฎกก็เชื่อว่า น, นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าสอนนีมันยังไม่ใช่มันเป็นความจริงหรือเปล่าก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เห็นนะ ยังไม่ได้เห็นจริงๆเป็นแค่ความคิดแล้วพอเป็นความคิดมันก็เลยเป็นแค่ความเห็นมันไม่ใช่เกิดจากการเห็นความจริงความจริงที่เป็นสิ่งที่ต้องเห็นอย่างเดียวนะมันคิดเอาไม่ได้ แล้วก็เห็นแล้วก็เห็นด้วยเครื่องมือหลายอย่างนะอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของวัตถุรูปธรรมก็เห็นด้วยตาถ้าเป็นเรื่องภายในนะ mm. ก็เห็นด้วยด้วยสติ mm. แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะถ้าเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งก็กลายเป็นปัญญาปัญญาคือ ความรู้ก็ได้นะวิชาก็ได้นะในพุทธศาสนาก็มีคําหลายคําเช่นปัญญาวิชาญาณอันนี้เป็นความรู้เป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นเพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนั้นนะอาจจะเห็นหรือรับรู้ได้ด้วยจิตเนะี่ยเช่นมีญาณอย่างรู้นะ ภูทิพตาทิพนี่ก็เป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องการเห็นเหมือนกันนะหรือเป็นเรื่องการรู้เพียงแต่รู้เนี่ยรู้ด้วยจะเรียกว่ารู้ด้วยใจก็ได้ในการปฏิบัติเนี่ยทางพื่อศาสนานี่เราก็มุ่งเพื่อการให้เข้าถึงความจริง เ, เพื่อให้รู้ว่าความจริงนั่นคืออะไรแต่ไม่ใช่เป็นความจริงนะที่เป็นรู ป, ปรธรรมอันนั้นเป็นงานของวิทยาศาสตร์แต่แม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ก็ตามก็อาศัยการเห็นเป็นเน มีทฤษฎีมีสมมติฐานก็ต้องทดลองทดลองให้เห็นด้วยตาบางอย่างมันละเอียดมากก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือนะเป็นเครื่องวั ด, ดการทดลองนี่คือเพื่อให้เห็นด้วยตาจริงๆว่ามันเป็นเช่นนั้น น, นั่นก็คือความจริงทางโลกความจริงทางวัตถุรูปธรรม แต่ถ้าความจริงที่เป็นนามนธรรมนี้มันต้องอาศัยการเห็นที่ไม่ใช่เห็นด้วยตารวมตนวด้วยเห็นด้วยสติและต่อไปก็เห็นด้วยปัญญานะถ้าความจริงในพุทธศาสนาเ น, นี่ยมันเห็นได้ด้วยสองอย่างนั่นแหละเห็นด้วยสติและเห็นด้วยปัญญานะ ปติปทานสีเนี่ยมันก็เป็นเรื่อ ง, องการฝึกเพื่อให้เห็นนะความจริงของกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตเนี่ยเห็นด้วยที่แรกก็เห็นด้วยสติควารู้ในพุทธศาสนานี่มันเกิดจากการเห็นของจริงนะเห็นของจริงของจริงก็คือกายกับใจของจริงคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าย่อให้เหลือสองคือกายกับใจถ้าสามก็คือกายเวทนาจิตอาการเจลคืกการเห็นฝึกให้เห็นเมื่อเห็นกายมันก็รู้กายเมื่อเห็นจิตมันก็รู้จิตเกิดความรู้ขึ้นมา แล้วก็เห็นแค่นั้นแหละนะกายกับใจอันนี้เป็นพื้นเลยไม่ต้องไปเห็นนอกตัวถนะ้ามันเป็นนิมิตนะนิมิตนี่ก็เห็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงนะอย่างที่หลวงปู่ดูลบอกเห็นเนะี่ยเวลานิมิตเกิดขึ้นไอเห็นจนะเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่ถูกเห็นเนะี่ยไม่ใช่มันไม่จริง เมื่อมันไม่ใช่ของจริงก็อย่าไปสนใจมันนะก็ต้องวางก็ต้องละเห็นแต่ของจริงนะอนนี้มันเป็นหลักสำคัญมากแม้จะเป็นหลักดูเหมือนพื้นๆแต่ก็สำคัญเพราะว่าถ้าไปถ้าไปเห็นอย่างอื่นเห็นะ ส, สิ่งที่ปรุงแต่งเอาแล้วก็ไปหลงยึดนะมันก็คาดเคลื่อน เห็นกายเห็นใจนะเห็นเวทนาเมื่อมันเกิดขึ้นก็เห็นมันถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสอดสายหามันความคิดนึกเกิดขึ้นก็เห็นมันอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นมันแล้วถ้าเห็นด้วยสตินี่มันก็ไม่เข้าไปเป็นนะไม่เข้าไปเป็น หรือว่าไม่จมเข้าไปในอารมณ์นั้นแต่เพราะไม่เพราะไม่เพราะไม่มีสตินั่นแะจิตนันจมหายก็้าไปในอารมณ์หรือว่าเข้าไปยึดติดความคิดนไปสําคัญม า, า, มามเป็นเราเป็นของเราแล้วมันปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วพอปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากความอยากก็ตามมา อยากได้อยากมีอยากเสพอยากเข้าควาหรืออยากผักสายออกไปแล้วมันก็นําพาไปสู่ความทุกข์ในความทุกมของเราถึงที่สุดแล้วเกิดจากการปรุงแต่งนั่นแหละมันไม่ได้เกิดจากการเห็นถ้าเห็ น, นอะไรมันก็หยุดปรุงแต่งพอหยุดปรุงแต่งความทุกข์ก็ไม่เกิดมันก็มีแต่ความทุกข์กายนะแต่ความทุกข์ใจก็ไม่เกิด การเห็นนี่มันมันตัวมันเองนี่ช่วยทำให้ไม่ทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นเห็นด้วยสติมันจะเป็นการพ้นทุกข์ชั่วคราวจนกว่านะจะเห็นด้วยปัญญาใหม่ๆการฝึกของเราก็ฝึกให้เห็นของจริง เห็นกายเห็นใจเวทนาความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากการกระทบเมื่อมันเกิดขึ้นก็ก็เห็นว่ามันเกิดเรียกว่ารู้ที่เรารู้ใจนะรู้ใจก็คือเห็นรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อกายเคลื่อนไหวก็ถ้าเห็นก็รู้รู้ว่ากายเคลื่อนไหวนนก็สุยกย่อยๆไเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกหรือว่าเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนี่การการจดสติเป็นการย่อนะสติปัฏฐานนะสามข้อแรกเนี่ยให้มาเป็นแค่เนี่ย เห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปตัดสินว่าดีไม่ดีไม่ต้องไปยินดียินร้ายนะมันมีความคิดดีๆหรืออารมณ์กป็นกุศลเกิดขึ้นก็ให้รู้เฉยๆไม่ไปชอบหรือว่ายินดีเมื่อเจออารมที่ตรงข้ามก็ไม่ไปยินร้ายหรือชังรู้เฉยๆเห็นเนี่ยมันมีแค่นี้แหละนะ มันไม่ทําอะไรมากไปกันนั้นเมือนเราดูกระแสน้ําเรานั่งอยู่ริมตะลิ่งก็ดูน้ํามันไหลไหลเอื่อยๆบางครั้งน้ําก็ไหลเร็วบางครั้งน้ําก็ไหลช้าบางครั้งก็มีผักตบไหลผ่านเคลื่อนผ่านบางทีก็มีหมาเน่าลอยน้ํามา ก็แค่ดูเฉยๆไม่ไปไม่ไปทำอะไรกับมันมีเรือสำราญแล่นผ่านมาก็ไม่ได้ดีใจอยากจะเข้าไปสนุกสนานกับเขาบนเรือไม่คิดจะโจรลงไปเพื่อที่จะขึ้นเรือต้องแค่ดูเฉยๆนยในการเห็นที่มันทำเท่านั้นเนี่ยมันจะเห็นโดยสติมนก็รู้เฉยๆ เมื่อมันดับไปก็รู้ว่ามันดับไปแล้วเมื่อเห็นของจริงบ่อยๆนะใ น, นสุดก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงเห็นความจริงเห็นว่าเออมันมันไม่เที่ยงหรือเห็นว่ามันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจไอ้ตัวเราที่คิดว่าเราเราเราเราเนี่ยมัน มันไม่ใช่ความจริงจะเห็นรูปเห็นนาเห็นกายกระจายเนี่ยนี่เรียกว่าเห็นความจริงเห็นความจริงกับการที่เห็นของจริงบ่อยของจริงบ่อยเวลาเดินก็ก็เห็นว่าเอ้ยมันเป็นรูปที่เดินที่เวลายกมือก็เห็นว่ารูปนี่เป็นเคลื่อนไม่ใช่เราเคลื่อนเวลาคิดมันก็เห็นความคิด ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราคิดทุกการกระทำของการใจมันเป็นเรื่องของการและใจไม่ใช่ไม่ใช่เรานี่เห็นไปนเรื่อยๆก็จะเห็นความจริงว่าเออมันไม่มีมันไม่มีเรามันมีแต่ลูกกับน้ำหรือว่าเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ตั้งมั่นนะคงที่หรือคงทนเลยนี่นี่ก็เห็นความจริงนะ เห็นความจริงก็เรียกว่าเกิดปัญญาหรือว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็เหนื่อยนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นทางพานิพนธ์เป็นธรรมหมดจด อภิษฐราสิทธ น, นี้ก็เชื่อเห็นะว่าเนี่ยเห็นเนี่ยมันนอกจะเห็นด้วยสติแล้วมันมีอย่างเห็นที่ลึกไปกว่า น, นั้นคือเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติก็คือเห็นของจริงเห็นด้วยปัญญาคือเห็นความจริงความจริงที่เป็นหรือแสดงหรือเรียกว่าไตารลักษ เห็นความจริงว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุก็เกิดเมื่อเหตุ ด, ดับมันก็ดับอย่างที่พระอัสชินี่ก็บอกกับอุปฏิสะว่าเนี่ยครูเจ้าสอนอะไรครูเจ้าสอนว่าทำได้เกิดแต่เหตุ จท้าพุทธกาลถึงเหตุแ ห, ห่งธรรมและการดับแห่งธรรมนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือความจริงนะสิ่งใดที่เกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่คือความจริงที่เกิดจากการเห็นของจริง บ, บนะ่อยๆเห็นด้วยสตินะไม่ใช่คิดเอา ว่าการเห็นเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสำคัญมากในพุทธศาสนาหนละงพ่อคำเขียนตั้งกนเน้นเรื่องเห็นเห็นเห็นไม่ใช่คิดเอาแล้วก็เห็นโดยไม่เข้าไปเป็นนะแม้เวลาคิดก็เห็นนะว่ามันคิดนะไม่เข้าไปเป็นมัน เพรเห็นมันทําไม่รู้นะรู้เพราะเห็นไม่ใช่รู้เพราะคิดเอาหลวงปู่ดูลย์บอกในคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่จะรู้ได้ต้องอาศัยการคิดเนี่ยสองท่อนแรกนี่คนก็เออพอจะเข้าใจนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คนที่ในยุคนี้ที่เน้นในเรื่องการคิดคิดคิดคิดแล้วก็มันก็ไม่ยอมนะไม่ยอม ไม่ยอมลงนะก็ยังเถียงค้านในใจพราะคิดดแต่ถึงรู้นะแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกคิดมันก็ยังคิดอยู่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คนนักปรัชยาฝรั่งเนี่ยก็พยายามพยายามที่จะรู้ความจริงให้ได้ก็คิดคิดคิดเอาอนนี้ก็หล่นนักวิทยาศาสตร์ด้วยก็พยายามคิดคิดเอา แต่ว่าวิทยาศาสตร์นี่เขาก็รู้ว่าเนี่ยมันคิดเท่าไหร่ก็ยังเมื่อคิดยังไงก็ยังไม่ใช่ความรู้นะจนกว่ามันจะมีหลักฐานยืนยันนะว่าไอ้ที่คิดเนี่ยมันตรงกับความจริงอย่างนี้ก็ถ้ามันตรงความจริงก็เรียกว่าเป็นความรู้ไอสไตน์เนี่ยคิดนะ ทฤษฎีสัมพัทธภาพคนก็ยังคิดว่าคนก็ยังไม่ยอมรับว่ามันเป็นความจริงเขาก็ยังคิดว่าเป็นทฤษฎีอยู่จนกระทั่งพบความจริงว่าโอ้ใช่นะมันมีการพิสูจน์ว่าพบ ว, ว่าแสงนี่เมื่อมันผ่านวัตถุที่มีความแรงดึงดูดมันจะโค้งแสงไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรง แ, ตแสงนี่ มันเป็นมวลนะที่สามารถจะโค้งได้เมื่อผ่านดวงดาวที่มีความที่มีแรงดึงดูดสูงนะ <S <S เขาพบนะว่าแสงไม่ได้เดินทางปเส้นตรงนะมีการค้นพบจากการถ่ายรูปนะใช้กล้องโทรทัศน์แล้วก็ยืนยันว่าแสง ไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงมันโค้งเมื่อผ่านดวงดาวหรือผ่านกาแล็กซี่เมื่อมีอันนี้ก็เกมันเห็นแล้วนะเห็นเมื่อมีการเห็นหรือมีข้อมูลมายืนยันนะไอ้สิ่งที่ไอน์สไตน์คิดเขาก็ถือว่าเออมันเป็นความรู้แล้วมันเป็นความจริงแล้ว นั่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหยุดคิดถึงจะรู้หยุดคิดถึงจะรู้คือว่าเนี่ยอยากจะรู้เรื่องกายเรื่องใจคิดเอาไม่ได้ต้องต้องต้องเห็นนะคิดเรื่องกายเรื่องใจคิดเรื่องทำไงไงก็ไ ม, กไม่ก็ไม่รู้จนกว่าจะเฝ้าดูนะดูมันหยุดคิดซะแล้วก็ดูนะไอ้การสวมาธิภาวนา โดยพิปัสนานี่คือการดูนะดูดูกายดูใจเห็นมันอย่างที่มันเป็นเมื่อเห็น บ, บ่อยๆนะมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นญาณ น, นการปฏิบัตินะจีหลงพ่อเทียนนะก็เน้นนะไม่ต้องคิดอะไรแค่ให้รู้สึกตัวนะแล้วก็ให้มีสติ รู้เฉยๆรู้ซื่อ เ, เมื่อรู้เมื่อเห็นของจริงก็จะเห็นความจริงนะการเห็นความจริงก็ถือว่าเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ในยุค ป, ปัจจุบันที่เป็นในเรื่องการใช้ความคิดมากๆเนี่ยนะมันก็เลยนึกไม่ออกว่าเราจะรู้ได้ไงถ้าไม่คิดนะ รูได้นะถ้าหากว่าเราแค่เฝ้าดูที่จริงก็อย่างที่บอกก็เหมือนกับลิงนะลิงที่มันรู้ว่าเราเก็บของไว้ที่ไหนนะมันรู้วิธีเปิดตู้รู้วิธีเปิดนะประตูมันไม่ได้คิดเอาเนะลิงอมันดูนะมันจ้องเลยนะจ้องดูเฝ้าดู แล้วมันก็ดูอยู่เรื่อยๆมันดูเรื่อยๆด้วยความอดทนใครที่ดูนี่มันก็นิ่งมันก็ไม่กระโดดเป็นไหนมันก็ดูถ้ามันกระโดดตลอดเวลามันก็ไม่สามารถจะดูจนรู้ได้ลิงนี่มันรู้นะมันรู้จากเราดีเพราะมันเพราะมันนิ่งพอที่จะดูเราด้วยความอดทนแล้วมันก็เห็นความจริงเห็นความจริง ไม่ว่าเราจะมีอุบายอย่างไรมันก็มันก็รู้ทันไม่ใช่เพราะมันคิดเอาแต่เพราะมันดูมันเห็นเมื่อมันดูมันเห็นมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาแล้วความรู้นี้ก็เอามาใช้ในการขโมยของหาของกินหรือว่าหลบหลีกอันตรายไม่ ในในหลุมในบ่วงนะที่เราดักเอาไว้นะนะถ้าเรามีความอดทนในการเฝ้าดูนะกายและใจเหมือนลิงเนี่ยนะที่มันนิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะนะเราคงจะมีปัญญาพาจิตนะให ออกจากความทุกข์หรือว่าไม่ตกอยู่ในบ่วงแห่งมารได้เหมือนกันเพราะว่าการดูนะถ้าดูถูกวิธีหรือว่าดูถูกดูถูกที่นะมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาดูขันทั้งห้าดูกายดูใจเห็นความเป็นไปของกายและใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อ มันรู้แนละ้วแต่มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมันก็เกิดเหตุ ด, ดับมันก็ดับนะี่ไอ้ความรู้นี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยนะในแง่หนึ่งก็ไปสร้างเหตุนะในแง่หนึ่งก็ไม่ทําให้เกิดเหตุในด้านนึ่ก็พยายามทาให้เหตุมันดับนะเมื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดนะไอ้ความทุกข์มันเกิดไม่ได้เมื่อ หรือเมื่อมีความทุกข์เกิดแล้วก็พยายามทาให้เหตุมันดับให้ความทุกข์ก็ดับไปด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการที่เราหนะมั่นเฝ้าดูนะดูด้วยสตินะจนเห็นนะจนเห็นความจริงแล้วก็ใช้ความจริงนี่แหละนะในการดับทุกข์หรือว่าพาเกตยวจากความทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการปฏิบัติเนี่ยให้เราพยายามที่จะหมั่นเฝ้าดูนะมองนะหรือว่าเห็นใช้สติ เ, เป็นเครื่องมือในการเห็นเห็นด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่ในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะ แลวความจริงก็จะเผยตัวออกมาให้เห็นเมื่อเห็นความจริงก็จะเกิดปัญญาและปัญญานี้ก็ช่วยทาให้ช่วยแก้ทุกข์ช่วยทำให้หลุดจักทุกข์ได้ที่จริงเห็นก็หลุดซาก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์ก็รู้ความจริงของทุกข์เมื่อรู้ความจริงของทุกข์รู้ว่ามันมันมีเหตุมันเกิดปัดจจักปัจจัย หรือรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกหมดนะมันก็ปัญญาที่เกิดขึ้นก็ทำให้พ้นทุกได้อย่งที่หลวงพ่อคเขีย น, นพูดนะเห็นทุกก็พ้นทุกนะความความหมายและความสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละชาติพุทธนี้นะ